มันจะมีบางช่วงอ่ะนะคะหลวงตาที่เหมือนกับว่าเวลาเราโกรธแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับปล่อยวางให้มันเฉยเฉยอย่างเงี้ยคือมันผิดโอ้ปฏิบัติผิดหมดเลยเดีอเด้อเราโกรธแล้วก็เห็นแบบปล่อยวางมันเฉยเฉยอันนี้มันมันคือพยายามค่ะเหมือนพยายามที่จะให้มันถึงให้มันเฉยได้มันก็มันไม่ใช่มันไปเล่นกับอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าอาการเฉยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ อย่างนี้เราก็ไปติดแต่อารมณ์ที่ถูกรู้มันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี้ปฏิบัติไม่เห็นจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยมันไม่เห็นไม่เห็นเรื่องเรื่องเรื่องจิตกับอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยเออตรงเนี้ยมันจะข้ามขั้นไปอ้าวอ้าวอ้มันชัดๆตรงนี้เ้อาวกราบนมัส ก, การหลวงตาคือเอาประสบการณ์ของตัวเองนะฮะคือเวลาที่หนูมโมโหจี๊ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เฮ้ยเรามโมโหอีกแล้วว่ะเราโมโหอีแล้วว่าอย่างเงี้ยเราก็ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะถูกไหมฮะในการปฏิบัติเช่นนี้ค่ะ คือมันมันมันมีสองสเต็ปสองขั้นตอนสองสเตปสองขั้นตอนี่ตอนที่เราเนี่ยมันมีอารมณ์รุนแรงเนี่ยเราจะมารู้จิตอยู่ไม่ได้เพราะตอนนี้อารมณ์มันมาปิดบังมากบดแล้วเราเวลาเราโมโหแล้วมันจิตคือมันเราเมื่เห็นจิตคิดอะไรมันไม่ไม่ทันหรอกเท่านี้มันไม่ทันอันนี้คืว่ามันเป็นในขั้นตอนที่ว่ารถมันจะชนกันแล้วเนี่ยจะมนจะมา หากวิธีว่าทํำยังไงถึงจะไม่ชนไม่อลไมันไม่ทันแล้วหักหลบอย่างเดียวว่าตอนนั้นรถมันจะชนกันแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วปุ๊บกระแสงมันจะกึ๊บมันจะมาดูจิตดูจิตแล้วจะมาหาวิธีว่าอย่างไรมันไม่ทันตรงนี้มันต้องหักหลบอย่างเดียวเลยคือลูตพอทันปุบเปลี่ยนความตั้งใจไปอย่างอื่นเลยพออารมณ์ขึ้นจิตก็ทาเพลงขึ้นมาลูกไปเปิดตู้เย็นกินน้ําขึ้นมาลูกไปทํากับข้าวลูกไปทําอะไรก็ได้เปลี่ยนเน่ะ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนความตั้งใจอย่างอื่นเคลื่อนไหวร่างกายรวดเร็วเปลี่ยนความตั้งใจเป็นอย่างอื่นนี่คือตอนใช้เฉพาะนะใช้เฉพาะตอนที่เกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นมาจี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยไปดูจิตไม่ทันหรอกมันจะต้องรู้ต่อทันอารมณ์อันเนี้ยมันไม่รู้รท่าทันความคิดไม่ทันหรอกอันนี้ไม่รู้ต่อทันความคิดหรอกอารมณ์มันรุนแรงแล้วมันต้องรู้ต่อทันอารมณ์อย่างเดียวพออารมณ์มันจี๊ดขึ้นมาปุ๊บเราต้องพลิกปั๊บเลยเคลื่อนไหวร่างกายไปทำอะไรซะแล้วก็ พอคือไหวร่างกายเสร็จไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็คิดอีกเอ้โหอีกคิดอีกมโหอีกคิดอีกมโหอีกแล้วก็พิจอีกพิจอีกเพรตอนนั้นก็เรามันคิดอีกแล่ามโหอีกก็อารมณ์แรงอีกตอนแรกว่ะมโหเกิดจากตากระทบเห็นภาพไปเห็นเข้าโมโหเกิดจากหูได้ยินเสียงทะเลาะกันเข้าเทียงกันเข้าปุ๊บอันนี้มันของจีดขึ้นมาแล้วอารมณ์ขึ้นของขึ้นมโหขึ้นมาจีดอันเนี้ต้องใช้วิธีอะเคลื่อนไหวร่างกายทันทีเลย ถึงแม้แต่จะทำเพลกันมาก็ถือว่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าลุกไปทําอะไรทันทีเลยอย่างรวดเร็วอันเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนความสนใจไปอย่างอื่นซะเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนความสนใจไปอื่นเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนความสนใจไปอย่างอื่นอันนี้ต้องเร็วมากเลยตัวนี้พอเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนความสนใจไปอย่างอื่นแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยอารมณ์มันเกิดจากตาเห็นหูได้ยินพอเราเคลื่อนไหวไปปุ๊บอารมณ์มันจะเกิดอีกตอนจะไปคิดอ tamam ีกชอบทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อีกแล้ว อะไรเงี้ยมันก็ไปคิดอีกนะไปคิดต่ออมันชอบว่ากูนะอะไรเงี้ยมใส่เสียอะไรไปว่าไปไปคิดอีกตอนี้อารมณ์เกิดของขึ้นเกิดจากเกิดจากความคิดเพราะอารมณ์ของขึ้นเกิดจากความคิดเราก็ต้องพลิกอีกเพราะว่าเราไม่เห็นความคิดไม่ทันหลับตอนนี้มันแรงมากอารมณ์มันแรงคิดอีกเราก็พลิกอีกเปลี่ยนความตั้งใจดำอื่นอ่าเสรจเราทํากับข้าวอยู่เราทำกับข้าวอยู่ผู้หญิงอ่ะเราทกับข้าวพอาำกับข้าวปุ๊บ เรก็คิดอีกตอนทานข้าเราก็เปลี่ยนไปตักน่นตักนี่มาใส่กระทะขาอกระทะแรงๆปป๊แล้วก็เอาใหม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ขยับตัวไปเรื่อยๆขยับตัวขยับตัวเปลี่ยนความตั้ใจไปอย่างอื่นโดยที่เราไม่โทษตงโทษใครเลยเราแก้ไขแต่ตัวเราแก้ไขแต่ตัวเราเองไม่ไม่ไม่โทษใครไม่ตำหนิใครไม่โทษใครเราแก้ไขตัวเองพลิกเปลี่ยนความ้งใจพลิกเปลี่ยนความใจไปเรื่อย่อยเดี๋ยวค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงนะค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงแล้วอารมณ์ อารมณ์จางหายไปเองนี่คือขั้นตอนของเด็กๆ เ, เราถือว่านี่ขั้นตอนเด็กๆ เ, เราก็ฝึกอย่างนี้เราต้องสอนอย่างนี้ว่าไเราว่าทำไมนี่ขั้นตอนเด็กๆขั้นตอนอย่างนี้เราฝึกมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว <40. S 1> เบสิบเบื้องต้นต้องผ่านตรงนี้ก่อนแต่ตรงนี้มันใช้เฉพาะตอนกรณีที่เกิดอารมณ์แรงแต่พอเราสอนอย่างนี้หลายคนเข้าใจผิด ไปใช้กับตอนที่ไม่ได้เกิดอารมณ์แรงใช้กับเกิดอาการที่ไม่สบายใจคนนี้ผิดพลาดมหานเลยคือเราบอกว่าให้ให้ใช้กับกรณีที่อารมณ์แรงมันโมโหแรงๆเดี๋ยวก็จะไปว่ากันนะเดี๋ยวไปจะทะเลาะกันหรือว่าถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไปสะกดอยู่ข้างในสะกดอึดอๆดอดอยู่ข้างในแล้วก็จ้องหน้ากันไว้สะกดอึดอึดอยู่ข้างในก็จ้องหน้ากันไ ว, มนนมมวน้มันก็ต่างคนต้องมีอารมณ์ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ป้องกันที่จะไปสะกดจิตไว้ แล้วก็ป้องกันที่จะไปทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วก็ลุกปั๊บทําอะไรซะลุกปั๊บลุกปั๊บไปทําอะไรก็หายไปไม่มีอะไรเขายับตัวประตุสติแต่สติที่ว่าเบื้องต้นเป็นสติเบื้องต้นเด็กๆเหตุใดเราพูดเราเน้นว่าเด็กๆคือหลายคนทํามันจะแค่เนี้ยเราบอกว่าเราบอกว่าไอ้เนี้ยเราต้องเน้นว่าเด็กๆเพราะอะไรสิบปีเจอการที่แล้วยังเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่แค่นี้ยี่สิบปีผ่านมาก็ฝึกอยู่แค่นี้โอ้ย ว่าทาไมจําเราแลเอาแค่นี้เองอ่ะไอ้นี่มันเด็กเด็กเราเลยบอกว่าเด็กเดกมันต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่แล้วทีจะไปเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอยู่นั่นแหละนี่มันชั้นอนุบาลแล้วก็สิบปีผ่านมาก็ยังมีอารมณ์ขึ้นของจี๊ดพิกไปร้องเพลงมีอารมณ์จี๊ดไปดูโทรทัศน์จี๊ดเล่นไปเล่นไลน์เล่นแชทเล่นมือถอดับมือถือเล่นเกมแล้วโอ้ยมันทําไมไปฝึกแต่ไอ้ชั้นอนุบาลอนุบาลเป็นเด็กจนโตขึ้นมาตั้งยี่สบสาสปีแล้วจนจะตายแล้วเนี่ยมันก็ฝึกแค่อนุบาลเนี่ยไอ้นี่เ ร, เราเลยเราเน้น อันเนี้ยเอออันเนี้ยสติแบบเด็กๆนนมันจะต้องสูงขึ้นไปอีกคือเมื่อเหตุเออเมื่อกี้ก่อนที่บอกว่าแล้วคนฟังย่างเนี้ยเราไปใช้ผิดคือว่าไปใช้กับอาการของใจที่ไม่สบายใจพอมีอาการที่มันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบ า, ไ ม, เบาไม่สบายใจก็ไปดูหนังฟังเพลงไปเล่นเกมไปเมาจอย อะไรวะไปบาจอดเดี๋ยวก็แฝงไม่รู้เรื่องไปอะไรไ ป, ไปไปหาเพื่อนคุยไปเข้าวงสังสรร ส, สนทนาอะไรเงี้ยก็คือมันก็อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมัดฝึกผิดระแบบเนี้ยเราฟังคนเรขั้นตอนกันอะไอขั้ตอนแรกมันคือต้องไออารมณ์ขึ้นของขึ้นไอที่ว่าไอเวลาพอว่าอะไรนะ ข, นขึ้นขึ้นจีดนจ๊ดเนี่ยไอของมโหขึ้นจี๊ดเนี่ยขึ้นจี๊ดเนี่ยโอมันพุ่งขึ้นไปเงี้ยมันมองพูดปุ๊บมันเห็นภาพพจนเลย ขึ้นมาเลยเน่ยของขึ้นอารมณ์ขึ้นจี้อย่างเงี้ยต้องพริกเลยปุ๊บเนี้ยแต่กรณีที่อาไรเรื่องใจไม่สบายไม่โปไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่สบายใจเป็นอย่งนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าของขึ้นจี้ของขึ้นจี้มาเลยมันแค่อาการที่ไม่สบายใจอันนี้มันเป็นเวทนาธรรมดาคือมันเป็นแค่เดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็สบายอะไรอยู่อย่างนี้นหะแต่เราไปเลือกเอาที่สบายมันจะหลง พรว่าไ อ, อ้ที่สบายเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาไอ้ที่ไม่สบายจะเ ป, เป็นทุกขเวทนาตอนเราไปเลือกเอาไอ้ฝั่งนี้ไม่เอาไปเอาไอ้ฝั่งโน้นอ่ะไอ้ฝั่งที่ไม่สบายไม่เอาไปแต่ไปเอาหาฝั่งที่สบายใจมันก็ติดแค่เวทนาไม่ไปไหนหล้วมันไม่ไปไหนเลยยังก็ติดอยู่เวทนาฝึ ก, กจิตติดแค่เวทนาน่ะเนี่ยปฏิบททัติธรรมติดแค่เวทนาคือดีรักชั่วชังเกียรตทุกรักสุขดีรักชั่วชังเกียรทุกักสุกปฏิบัติไม่ไปอย่างไรเลยอย่างเนี้ท่านใช้คําแรงมากเลย ท่านใช้คาว่าคนโง่คนโง่ชอบหลีกหนีอาการชอบหลีกหนีปรากฏการในใจของตัวเองแต่คนฉลาดเนี่ยจะเห็นจิตปรุงแต่งแล้วไม่หลงไปตามจิตที่ปรุงแต่งของตัวเองจะหลบหลีกหนีจิตที่ปรุงแต่งของตัวเองหลีกหนีเอาตัวเองไปหลงปรุงแต่งนี่คือคนฉลาดเห็นจิตจิตเห็นจิต อไม่หลงไปตามความคิดไม่หลงไปตามความคิดที่เกิดขึ้นจิตมันปรุงแต่งหลงเอาตัวเองไปปรุงแต่งคิดนั่นคิดนี้ยึดนั่นยึดนี่เห็นจิตปรุงแต่งตัวเองนี่คือคนฉลาดเนี่ยเขาพูดงนี้เพื่ออะไรทำมัาสะเทือนถึงซางบ้างนะสะเทือนึงแล้วโอ้ยไปฝึกไอแต่แค่นี้อมันนีนมันเด็กเราเลยแ่บเด็กๆอนุบาลหลายปีมาแล้วมาเจอหน้าก็ยังดูหนังดูละครน้ําเน่าอย่าน่้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเอาญาติให้ดูละครน้ําเน่าได้ไง มันไม่ใจอะดูแล้วก็ไปแค่นั้นอะฝึกตั้งนานก็ดูแต่หนังดูละครเล่นแต่เกมเนี่ยมันจะไปยังไงอะชีวิตน่ะเนี่ยอันนั้นมันคือต้องของขึ้นจีดจ๊ดเนี่ยเราจี๊ดยังไงต่อไปพลิกหน่อยพิกไปมันเก็เลิกกลับมาเพราะมันมันมันเป็นปกติแล้วก็มามาปฏิบัติสภาวะปกติเอปกติว่ากำมันปฏิบัติต่อคื อ, อะเมื่อมีอาการเวทนาเกิดขึ้นคืออาการที่โปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยมันเป็นเวทนาเวทนาเนี่ย มันรู้ตัวมันเองไม่ได้เวลาที่มันโปร่งโล่งเบาสบายมันรู้สึกว่างๆเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาเวลามันมีอาการมีความรู้สึกไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาเวลามันมีอาการกลางๆไม่ถึงกับสุขทุกข์มันเป็นอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาถ้ามันมีอาการเหล่านี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ต้องมีอาการที่เป็นกลางๆเนี่ยอาการเหล่านี้ มันรู้ตัวมันเองไม่ได้มันรู้ตัวมันเองไม่ได้ให้เราถามตัวเราว่าใครเป็นผู้รู้ว่าเราเนี่ยใจสบายใจไม่สบายใจเป็นกลางๆอยู่ Geld, knows, ใครเป็นผู้รู้คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีอาการอย่างไรใจสบายใจไม่สบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเป็นกลางๆอยู่คนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยมีอาการทางกายมีอาการทางใจอย่างไร เมื่อถามตัวเราเองว่าใครเราเป็นคนรู้ก็จะตอบว่าไงใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนรู้ว่าเราสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่ามันเป็นกลางๆอยู่ใครเป็นคนรู้เราเนี่ยถามอะไรกันเราเลยเป็นคนรู้ใครจะไปรู้หรอกเราเป็นคนรู้คนอืไม่รู้หรอกเราแหละรู้ว่าเราน่ะมีอาการที่สบายใจไม่สบายใจหรือว่ามีอาการเป็นกลางๆหรือว่ามีอาการที่มันสบายใจมีอาการไม่สบายใจมีอาการเป็นกลางๆเราเน่ยเป็นคนรู้ เราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้นี่แน่สําคัญในตรงเนี้ยเพื่ออะไรเราเป็นคนรู้แท้จริงเลยเป็นจิตแท้จริงไม่ใช่เป็นตัวเราหรอกเป็นจิตเขาต้องการให้เห็นตัวนี้น่ะจิตเห็นจิตแจ่มแจ้มแจ่เป็นมากกว่าได้จิตเห็นจริงแจ่มเป็นนิโรธคือดับทุกก็ต้องการให้เห็นไอ้ตัวเราที่ไปรู้นี่เน่ไอ้ตัวเราที่ไปรู้ไปรู้อาการอาการที่ถูกรู้ทั้งหมดเขาเรียบอารมณ์ สิ่งใดที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใครเป็นคนรู้รูปหรอก็เราเนี่ยเป็นคนไปรู้รูปเสียงกินรถที่เรากินเนี่ยใครเป็นคนรู้ว่ารสชาติที่เรากาลัางกินเน่ยเป็นรสชาติยังไงก็เราเป็นคนรู้สิแล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสกายเราเนี่ยเราเดินไปอากาศร้อนอากาศเย็นตอนนี้ก็เปิดแอร์เอออากาศเย็นสบายดีใครเป็นคนรู้หรอก็เราจะเป็นคนรู้เนี่ย พอมีอาการทางกายเจ็บปวดเมื่อยนั่งนานก็เมื่อยขอขยับตัวหน่อยเขาขยับตัวแล้วก็สบายเออาการเมื่อยเป็นทุกขเวทนาอาการขยับตัวแล้วสบายก็ไปสุขเวทนาเราจะไปดูแต่ตรงนี้ต้องถามเสมอว่าใครเป็นคนรู้ว่าเราเมื่อยแล้วก็พอเราขยับตัวแล้วเราไม่เมื่อยใครเป็นคนรู้ก็ใครเป็นคนรู้อ่ะเราเป็นคนรู้เราเนี่ยคือจิตไม่ใช่ตัวเราจริงหรอกเราเป็นคนรู้เราเนี่ยคือจิต ก็รู้ตรงเรานี่แน่รู Remember, ้ตรงเรานี่แน่ก <MBA. S 2> <aj> ็ร <CGI> ู <exaggerated> ้ตรงไหนก็รู้ที Jap ่ตัวเรานี่ยคเพราะเราเป็นคนรู้ก็รู้ที่ตัวเราเนี่ยแน่รู้ที่ตัวเรานี่พอมันมีเมื่อกี้อาการทางกายตอนนี้อาการทางใจใจสบายเอารวมเลยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่ามันเป็นกลางกลางถามว่าใครเป็นคนรู้ ก็เราอีกอะเป็นคนรู้ก็รู้เนี่ยรู้ที่ตัวเราเนี่ยรู้ที่เราเนี่ยเป็นคนรู้ไม่ใช่ว่ารู้ร่างกายเรารู้ที่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยใครเป็นผู้รู้กับเราเนี่ยผู้รู้ไอ้ที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยคือจิตเราเป็นผู้รู้และก็รู้ตรงเราเสมอไปอย่าไปรู้อารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกรีนรสสิ่งที่มาสัมผัสกายอาการทางกายอาการทางใจทุกชนิดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ ถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยรวมทั้งอาญตนะภายนอกคือสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายเราที่ถูกรู้ภายนอกร่างกายสิ่งที่รู้ภายในร่างกายเราทั้งหมดสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์เน่ให้มันเข้าใจคําตรงกันซะก่อนให้มันเข้าใจคำตรงกันซะก่อนไม่ใช่ว่าอารมณ์เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยไม่เหมือนภาษาไทยอารมณ์ภาษาไทยก็คือของขึ้นเนี่ยของขึ้นเนี่ยอารมณ์อารมณ์ภาษาไทยคือของขึ้นรู้จักคําว่าของขึ้นไหม ของขึ้นไปรู้ว่าอันนี้ไปแปลภาษาต่างประเทศมันจะแปลถูกก pues, ับเปล่าไปรู้ของภาษาภาษาตเทศจะรู้เรื่องว่าของขึ้นของขึ้นแต่คนไทยพูดรุบรู้บ่นเลยว่าของขึ้นนี่ฝรั่งนั่งนีล้วฟังภาษาไทยออกไปเลยของขึ้นนี่ฝรั่งนั่งหลังนี่ของของขึ้นอย่างเงี้ยของขึ้นของขึ้นนี่คนคนไทยแปลว่าไอ้ของขึ้นนี่อารมณ์ไอ้อารมณ์แต่ไม่อารมณ์ภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือรู้ เสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสอาการทางกายเจ็บปวดเมื่อยขยับตัวสบายแล้วก็อาการทางใจสบายกายสบายใจเป็นกลางๆไม่ถึงกับขั้นสบายใจไม่สบายใจแต่มันเป็นอารมณ์หมดเลยที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ส่วนผู้ที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหมดไปว่าจะรู้ลูก ร, รู้เสียงลูกกลิ่นรู้รสรูสิ่งที่มาสัมผัสกายรู้อาการทางกายรู้อาการทางใจทุกขนาปัจจุบันเรียกว่าจิต เรียกว่าจิตเนี่ยประเดมันปฏิบัติทําได้รู้ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมากผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธไปเห็นตรงไหนอะจิตก็เห็นตรงไอ้ตัวเราแหละผู้ไปรู้ตัวเราผู้ไปรู้ไม่จช่ว่าไม่เห็นโครงล่างของร่างกายไอ้โครงร่างของร่างกายมันไม่รู้หรอกมันไม่ได้เอาตาถ้ามีตาไม่มีจิตมันมองไม่เห็นหรอกผมคนตายแล้วนะคนตายนอนลืมตาโพงไม่มีจิตมันไม่รู้หรอกไอ้ที่มันรู้มันจิตแต่มันอาศัยรู้ผ่านตาถ้าตาบอดมันก็มองไม่เห็น ไว้ในไอ้ตาหูจมูก้นร่างกายเนี่ยมันเป็นประตูประตูคือตาบอดมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ถ้าตาไม่บอดมันสายแต่ไม่ใช่เอาตาไปเห็นตามันมองไม่เห็นหรอกลืมตาอยู่เนี่ยถ้ามันไม่มีจิตอคนตายนอนลืมตาพงจะมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้ที่มันเห็นคือจิตเนน่ยคือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็ใครเป็นผู้รู้ล่ะจะรู้ตรงไหนว่าจิตอยู่ตรงไหนตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้อ่ะตอนนี้พอตัวเราเป็นผู้รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือจิตจิตหรือวิญญาณหลักฐาน เป็ผู้รู้นี่เนี่ยคือจิตหรือวิญญาณหลักฐาแต่มันเป็นเพียงผู้รู้เพียงแค่เสี่ยววินาทีเดียวเพราะอะไรพอรู้ปั๊บมันพูดเลยมันวิเคราะห์เลยแต่เนี้ยมันพากมันพากมันพูดมันวิเคราะห์มันคิดติดต่อมันจุ๊กจิุ๊กจมันมีอาการยังไงก็ไม่รู้หลายอย่างบางทีมันใช้ภาษาไทยไม่ถูกเลยมันเยอะแยะมันหลายคำบางทีมันก็บ่นบางทีมันพูดเกี่ยวกับตัวเองมันปรึกษาตัวเองลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ย พอรู้ละมันเป็นรู้แป๊เดียวเนี่ยจิตวิญญาณสังขารนี่ทําหน้าที่รู้แป๊เดียวส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเลยคือมันเลยรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจกับสิ่งที่รู้แล้วมันก็จําได้ว่านี่สิ่งนี้คืออะไรแล้วมันก็ภาคเลยตัวเน score, ี้ยติดต่อคือปุงปุงคิดคิดปุงเลยภาคพูดพูดภาคในตัวเนี่ยพราะมันรู้ตรงไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเลยรู้ถึงเวทนาสัญญาสังขารเลยคือไอ้ตัวภาคเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขาร พอเราเห็นอย่างนี้หมดปุ๊บเลเท่ากับเราเห็นขันห้าหมดแล้วถึง ว, วิญญาณขันเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยเห็นขันห้าครบห้าขันถึงตัวผู้รู้พอเป็นผู้เป็นเสี้ยววันทีเป็นผู้รู้เสี้ยววันทีเดียวแล้วภาคเลยพอภาคปุ๊บคือเวทนาสัญญาสังขารพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเท่ากับเห็นห้าขันแล้วถ้าเราสักตะวัรู้ห้าขันเท่ากับปล่อยวางขันห้าละอุปทานขันห้าได้ก็รูพรนิพพาน มันต้องมีความจำเป็นรู้ผิดตัวไม่ได้ถ้าเราเห็นขันห้าไม่ครบห้าขันแล้วเราจะไปปล่อยวางขันหน้าได้ยังไงเพราะนั้นเน่ะพอเราปฏิบัติเเอาตัวเราไปรู้อย่างอื่นเราไม่เราไม่เห็นได้ไอ้ตัวเราที่มันรู้แล้วมันภาพแล้วเราจะปล่อยวางงไงเราเราเอาแต่ตัวเราไปปล่อยวางอารมณ์ที่ถูกรู้ที่ด้านปฏิบัติกันอ่ะเราไปปล่อยวางอารมณ์ที่ถูกรู้ แต่เราไม่ได้ปล่อยวางวิญญาณาขันที่ทําหน้าที่รู้แล้วก็ภาคตรนี้มันเร็วมากมันจะเร็วยังไงก็ตามมันรู้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวแล้วก็มันก็ภาคเลยมักนก็พูดเลยก็คิดติดตองเลยเราก็ปล่อยวางมาทั้งยวงเลยเราก็เลยได้ปล่อยวางทั้งวิญญาณาขนันจิตวิญญาณาขนันแล้วก็ปล่อยวางทั้งเวทนาสัญญาสังขารคือปล่อยวางมาทั้งยวงเลยก็เท่ากับปล่อยวางขันหน้าละอุบัตานขันหน้าได้ของลุนิพานเราไม่ต้องว่าไปแยกว่าแยกขาผู้รู้ไว้อย่างที่เขาฝึกกันผิดที่บอกว่า คาผู้รู้ไว้ให้มันรู้อะไรเห็นแต่โครงสร้างไม่ให้มันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารไม่ให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราเห็นคนที่สอนผิดต่อหน้าต่อตาเราเลยอย่างเงี้ยคือหลายคนแล้วปฏิบัติผิดด้วยแล้วมาหาเราเป็นคนคนเดียวนะคือสอนด้วยแล้วก็หลอกฝังเอ้ยทำไมแล้วตัวเองทําได้ไหมเนี่ยสอนว่าเห็นอะไรให้รู้แต่เป็นโครงล่างห้ามให้มีความรู้สึกเวทนาต่อสิ่งเหล่านั้นถูกใจไม่จูกใจเป็นกลางๆห้ามส่งต่อสัญญาว่าจําจําได้ว่าอะไรเป็นอะไร ห้าม icism, ส่งต่อสังขารคือให้เห็นเนี่ยอย่างอย่างสมมติว่ารถวิ่งมาเนี่ยไม่ให้รู้ว่าเป็นรถให้รู้แต่มีโครงสร้างรูปร่างแบบนี้ไม่ให้รู้รถไม่ให้รู้สีไม่ให้รู้ว่ายี่ห้อพอเห็นคนเดินมาให้เห็นแต่โครงสร้างไม่ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายให้รู้ว่านี่เป็นโครงสร้างเฉยแล้วว่าตัวคนสอนทําได้เปล่ามันเห็นอะไรมันต้องเห็นเป็นอย่างนั้นแน่เออมันก็เห็นเป็นอย่างนั้น่ะแต่มันมัดปล่อยวางนะ มันปล่อยวางไม่ใช่ไปปล่อยวางบอกว่าปล่อยวางถึงวิญญาณขันขันนี่ห้าปล่อยวางถึงวิญญาณขันแต่เราจะเลือกไปปล่อยวางแต่วิญญาณขันแล้วมันไม่ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารที่มันทำงานร่วมกันเนีย่ยเรียกว่าอภิธรมรมอ่ะภาคภิธรรมก็สอนไงรูปจิตเจตสิกนิพพานอันนี้สี่อย่างอ่ะรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปคือร่างกายจิตเนี่ยจิตก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันที่ไปรู้ทำหน้าที่รู้แ ป, ป๊บเดียวแล้วก็ ส่งตอ่อเจตสิกรูปจิตเจตสิกเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารสามตัวเนี่ยเรียกว่าเจตสิกเจตสิกเพราะว่าอะไรทำไมเขาไปเรียกรวมซะว่าเจตสิกคือเวลามันเขียนอะไรมันจะต้องไปนั่งเขียนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไปไปเขียนต่อยาวเนี่ยรวมไปเลยว่าจิตเจตสิกเจตสิกเจตสิกแล้วก็ไอ้ตรงจิตเ่ยวิญญาณรูปจิต <c oughs> จิตก็คือวิญญาณาาสาาังขารเจตสิกก็เวทนาสัญญาสังขารเอ่อเวทนาคือความรู้สึกว่าสิ่งมาสิ่งที่ไปกระทบในขณะปัจจุบันนะถูกใจไม่ถูกใจปกกเป็นกลางๆเป็นเวทนาถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นกลางๆ ก, ก็เป็นอานาัุกรรมสุขเวทนาหรือเบียขาวเวทนาแล้วก็สังขารก็คือคิดปุ่มปุมคิดเนี่ยพูดพากพูดอยู่ในใจบ่นอยู่ในใจพากอยู่คนเดียวคิดติดตองคนเดียวไอ้นี่เป็นอย่างไรกันเนี่ยมันก็พูดอยู่คนเดียวนีพูดอยู่คนเดียวในใจนั่ ตอนนี้ยเราจะไปเลือกไอ้ไอ้ไอ้ไ อ, อ้จิตเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยที่ทำงานร่วมกับไอ้เวทนาสัญญาทังขานเนี่ยเจตสิกเนี่ยเขาเรียกว่ามันทํางานร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเอตามระพิธามเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจิตกับเจตสิกเนี่ยคือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็คืออะไรมันเร็วมากนะคือมันไป ทำหน้าที่รู้เพียงเสี้ยวนาเดียวมันก็ร e ู้เบ็ดเสร็จลว่าร <ah> ู้อะไรเป็นอะไรถูกใจไม่ถูกใจมันก็เบ็ดเสร็จเลยจได้หมรู้นี่อะไรไปคืออะไรเงี้ยมันก็รู้กันเบ็ดเสร็จกันรู้ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเจอหน้ากันรู้จักกันอะไรเงี้ยมันก็รู้เบ็ดเสร็จเลยไงมันรู้เบ็ดเสร็จนี้ถ้ารู้เบ็ดเสร็จว่าอะไรล้วเป็นอะไรแล้วมันก็มาบนในใจพูาในใจไอ้ตัวที่รู้เนี่ยมันทำหน้าที่รู้เพียงเสี้ยวนีเดียวคือวิญญาณขันเนี่ยรู้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวแล้วมันก็ทำงานร่วกวิจตสิกเลยคือ เช่นสมมติว่าพวกท่านแต่งตัวมาวันเนี้ยคนไหนแต่งตัวมีรสนัยมดีมากเลยท่านเห็นปุ๊บก็ปุ๊บแหมคนนี้เขาแต่งตัวมีรสนัยมดีมากเลยนะแหมก็ภากอย่างเงี้ยเมื่อพาคลุ่นในใจแถ้าถูกใจมันก็ภาคนะะคนนี้แต่งตัวมีรสสัยมดีมากเลยแหมคนนี้สวยนะคนนี้หล่อนะเขาแต่งตัวดีอะไรมากเลยเขามีรสสัยมดีมากอคนไหนไม่ถูกใจก็ผอคนนี้แต่งตัวเฉยมากเดี๋ยมันแต่งตัวเฉยๆฉยอะไรเงี้ยเขาก็ก็จะภากัะถูกใจก็ภากไม่ถูกใจก็ภาครับรองมันจะต้องภาคไม่มีใครไม่ภาค มันจะต้องพาก็พูดอยู่ในใจเราก็สักแต่ว่ารู้แทนที่เราจะไปรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเราก็มารู้แต่ตัวเราพูไปรู้ที่มันภาคกะรู้อะไรมันภาคตลอดแล้วรู้อะไรมันก็พากตลอดรู้แต่รู้ที่ตัวเรานี่ยแน่ตัวเราที่มันพาก็มรู้ตลอดนี่แน่ถ้าเราเนี่ยปล่อยวางมันตั้งยวงเคยปล่อยวางมันรู้อะไรมันภาคยังไงกันช่างมันเหอะวางมัได้หมดเลยสักแต่ว่ารู้มันคือปล่อยวางมันได้หมดเราก็เท่ากับปล่อยวางขันห้าเรียกว่าละอุปทานขันห้าก็บรรลุพระนิพพาน ถ้าเราเอาตัวเราไปรู้แล้วปล่อยวางแต่อารมณ์ที่ถูกรู้มันปล่อยวางแต่อายตนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายอาการทางกายอาการทางใจเป็นอายตนะภายนอกที่เราปฏิบัติบอกว่าไปวางความโกรธไปวางอารมณ์ไปวางความสบายใจความไม่สบายใจ เราเอาแต่ตัวเราไปวางอย่างเงี้ยมันวางแต่อายะตะนะภายนอกวางแต่อารมณ์ที่ถูกรู้แต่ไม่ได้วางตัวเราผู้รู้ที่ภาคที่พูดที่บท ม, มันก็เลยไม่วางขันห้าในตอนเนี้ยมันกลายไปวางอารมณ์ที่ถูกรู้ซะแทนวางผิดตัวเห็นผิดตัวตัวนี้ไอ้ตัววิญญาณาขันเนี่ยจิตวิญญาณาขันเนี่ยทําหน้าที่รู้ปั๊บเดียวเสี้ยวย ว, วินิทีเดียวแล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณ พรมันภาคแคานั่นแหละมันพูดแค่นั้นแหละตัวมันเลยกลายเป็นธรรมารมณ์เป็นอายะสนะภายนอกทันทีในเชื่อวินาทีนั้นเลยและมันจะเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ตัวใหม่ที่ถูกรู้เช่นเราเห็นเขาเข้ามาแมคนนี้เมื่อว่าพาแฟนก็สวยๆมาพาแฟนเขาหล่อๆมา โอ้โห oh แฟนคนนี้สวยจริงๆหล่อจริงๆเลยสมมติเรามันพาพันพูดในใจนะอู๋แฟนเขาคนนี้สวยจริงๆหล่อถูกหล่อจริงถูกใจถูกสเปกมากเลยเออนะมันภาพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเสี่ยวนในทีที่ไปรู้เนี่ยไปเห็นเขาเนี่ยเป็นแฟนเขาเดินมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิญญาณาขาันเป็นจิตมันทําหน้าที่รู้เพียงนิดเดียวอันเนี้ยยังไม่เป็นยังไม่เป็นทําอารมณ์เพราะมันเป็นหน้ า, าที่รู้ธรรอารมณ์อะวิญาาาวญาณขันเนี่ยมันมีหน้าที่รู้ทําอารมณ์ แต่มันเป็นวิญญาณาขันที่ทำหน้าที่รู้ทำอารมณ์เซี่ยวนี่ทีเดียวมันภาคเลยมันภาคมันพูดมันเลยกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้พอมันภาคมันพูดว่าแฟนเขาหล่อมากเลยสวยมากเลยว่าอะไรเงี้ยเซี่ยวนี่ทีเดียวถ้าเราสติไม่ขาดเนี่ยถ้าเราสติไม่ขาดเราจะเห็นเลยว่าไอ้วิญญาณราขันตัวต่อไปจิตวิญญาณคันตัวต่อไปมันมารู้ว่าเราคิดอกุศลอยยนี่มันอกุศลไม่ใช่หรอ ออนี่มันความคิดนี้เป็นอกุศลไม่ใช่เหรออ่ามันก็ภาคเลยนะไอตัวความคิดแรกมันได้คิดแต่ว่าเขาหล่อเขาสวยอ่ะมันไอตัวนั้นมันไม่ได้ภาคแต่ไอคนที่บอกว่าเอยความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลไม่ใช่เหรอไอตัวรู้ตัวหลังมันภาคมันพูดคือวิญญาณหลักฐานตัวหลังตัวใหม่เนี่ยมันก็เกิดมามันเป็นธรรมชาตินะเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นพวก่อพอมีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นนบไอวิญญาณหลักฐานตัวใหม่มันก็มารู้อ่ะไอความคิดนี่เป็นอกุศลไม่ใช่เหรอ ความคิดเป็นอกุศลนะอ่ะพอไปรู้ปุ๊บว่าความคิดพอไปรู้ความคิดปุ๊บมันภาคเลย ว, ว่านี่เป็นอกุศลมันมันทำหน้าที่เป็นวิญญาจิตหรือวิญญาณขันเซี่ยวนาทีเดียวว่าไปรู้ความคิดแล้วมาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลไม่ใช่หรอคิดชัวด่วช่วอย่างนี้ได้ยังไงเอ่ะถ้าสติไม่ขาดไปตอนที่มันไปไปไ ป, ไปคิดว่านี่มันอกุศลนะคิดไปด่ดีคิดชั่วอย่างนี้งไง พอมันเป็นรู้ไปเสร็จพอมันคิดว่านี่เป็นคิดอกุศลนี่ไม่ดีมันคิดจะช่วอย่างงี้น่อนี่กลายเป็นธรรมอารมณ์เลยเป็นอายตนะภายนอกสิ่งใดที่ถูกรู้เป็นอารมณ์เลยอารมณ์ก็คือธรรมอารมณ์นั่นแหละที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นอยู่ภายในใจก็เรียกว่าอารมณ์พอมันไปคิดไปภาพไปพูดว่านี่มันนี่มันมันความคิดอกุศลมันไม่ดีไม่ใช่หรอไอวิญญาณขันตัวต่อไปอะตัวใหม่อะมันมารู้ทันทีว่าไอเดีกคิดว่านี่เป็นอกุศลนะไม่ดีนะ พอวิญญาณาอาคารโต้ใหม่พอมันรู้ปุ๊บนี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอกุศลมันรู้เองเชี่ยวเนื่อทีเดียวมันแสดงปฏิกิริยาเลยว่าต้องดับต้องรีบดับมันก็แสดงปฏิกิริยายัางไงก็ได้ดับทันทีต้องดับต้องตะกดต๊นี่มันตะกดเลยตอนนี้เผลอไปพลาดพังไปตะกดเข้าไม่แค่ว่ารู้แค่สักเตารู้แล้วก็ดับไปเองรู้สักเตารู้มันก็ดับไปเอ ง, ตเองแต่นี่จะไปจัดการมันเลยตอนนี้จะเข้าไปจัดการ จะเข้าไปจัดการคือรักดีไงคนรักดีก็จะเข้าไปจัดการมันก็จะเข้าไปจัดการมันถ้าส ต, ติไม่ไอ้ตัวนี้อาการนี้เข้าไปจัดการมันเนี่ยมันพอมันรู้เที่ยวดีเดียวเ ป, เป็นรู้อย่างเดียวต่อไปพอมันปรุงเสร็จปุ๊บมันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของวิญญาณอาคารตัวใหม่เลยตอนนี้ยเพราะว่าอะไรวิญญาณอาคารเนี่ยมันทําหน้าที่รู้ทําอารมณ์ พอมีธรรมอารมณ์นี่ยคือมีอาการเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บวิญญาณขันมีหน้าที่รู้อารมณ์วิญญาณขันมีหน้าที่รู้อารมณ์วิญญาณขันเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อารมณ์มีหน้าที่สิ่งที่ถูกรู้วิญญาณขันมีหน้าที่รู้อารมณ์มีหน้าที่สิ่งที่ถูกรู้พอมันมันรู้เสร็จปุ๊บมันไปปรุงปุ๊บมันกลายเป็นธรรมอารมณ์คือเป็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเลยกลายเป็นอารมณ์ไปเลยอัน วิญญาณาขันธ์เนี่ยทำหน้าที่รู้แป๊บเดียวแล้วก็ส่งต่อไปคิดภาพพวกเป็นอารมณ์วิญญาณาขันธ์ทำหน้าที่รู้แป๊บเดียวส่งต่อรับภาพเราเราต้องมีสติรู้อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันรู้อะไรก็รู้จิตนี่ยรู้ตัวเราเนี่ยที่ปาที่พูดที่บนเนี่ยแล้ววิธีปฏิบัติอะแล้วเราบอกว่าอาจารย์มันเร็วขนาดนี้แล้วเราจะไปไล่มันทันเหรอไม่ต้องไล่วางมันให้หมดเลยทุกตัว ไล่ไม่ทันหลอกมันเร็วสักขนาดเนี่ยมันรู้แป๊บเดียวแล้วกับมันก็พากับผู้กระเบิดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วไล่ทำไมปล่อยมันทั้งยวงเลยทั้งทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางมันไปทั้งยวงแหละคือท่านเลยเรียกว่าปล่อยวางทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จึงบรรลุนิพพานทําไมจึงต้องให้มาปล่อยวางผู้รู้อเนี่ยเพราะว่าถ้าเราคืนเอาตัวเราไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้มันหลงอารมณ์หลงอารมณ์ที่ถูกรู้ มันเลยไม่ปล่อยวางวิญญาณขันปล่อยวางไปถึงวิญญาณขันถ้าเราไม่ปล่อยวางถึงผู้รู้เพราะอะไรอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราใครเป็นคนรู้อารมณ์ก็วิญญาณขันนี่เป็นผู้รู้อารมณ์ถ้าเราปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางทั้งผู้รู้คือปล่อยวางก็เถอะช่างเฮงอยากจะรู้อยากจะพูดถึงกจะบ่นแต่เห็นเปนอย่างนี้นะสัตว์แต่ว่าเห็นวันสัต์แต่เห็นวันพูดมันบ่นแล้วก็ช่างมึงอะช่างมันช่างมันช่างมันช่างมึงช่างมึงช่างมันช่างมัน ปล่มันป่อยมันมันเป็นมันเป็นขันห้า ม, มเป็นขันห้ามเป็นแต้วตัวปุ้งแต่งเดี๋ยวมันกเกิดแล้วก็กดับเลยเกิดแล้วก็ดับเลยเกิดแล้วก็ดับไปก็ช่างมันสักตะวันรู้อย่างเดียวเนี่ยจึงเป็นที่มาของน่ะพระเจ้าตัด ก, กับไพรยาว่าพารยาเออพาเธอสักตะวะรู้นี่นะจะไม่มีตัวตนของเธอเลยเธอจะสิ้นกิเลสบรรลุพรนิพพานเดี๋ยวนี้เลยไพรยาฟังจบบรรลุพรนิพพานเลยจะไม่มีตัวตนของเธอไปเกิดในโลกหน้าโลกไหนต่อไปเธอจะบรรลุพระนิพพานอ่ะไพรยาสักตะวะรู้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นจัางมันช่างมันอย่างเดียว ช่างมันเลยทั้งรู้อะไรก็ช่างมันรู้อะไรแล้วภาคอะไก็ช่างมันแต่ช่างมันนะโดยรู้นะรู้เรื่องก็ช่างมันไม่ใช่ช่างมันอยู่ชีวิตทั้งวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วว่าทําไมมันไม่รู้เรื่องเลยอยู่มันเหมือนชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรก็อาจารย์บอกปล่อยวางหมดไงไม่ใช่ปล่อยวางแบบนี้นะปล่อยวางโดยไม่รู้อะไรไม่ใช่นะ คือมันต้องรู้ทุกขณะปัจจุบันมีสติรู้ทุกขณะปัจจุบันรู้ทุกขณะที่ปัจจุบันว่ามันรู้ทำอารมณ์รู้อะไรก็รู้ตรงทำอารมณ์เนี่ยมันไปรู้อะไรมันก็มาปรุงรู้ในใจน่ยรู้รู้มันก็มาปรุงในใจรู้เสียงก็มาปรุงในใจรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็มาปรุงในใจรู้อาการของใจก็มาปรุงในใจมันเลยปล่อยวางทั้งไอที่มันปรุงในใจแล้วตัวมันที่มันไปรู้อาการที่ปรุงในใจปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้ปล่อยมันไปเหอะมันอยากจะปรุงทั้งทั้งรู้ทั้งรู้ท เลยเท่ากับวางขันห้าทั้งหมดเลยตอนนี้เรียกว่าละอุปทานขันห้าท่านจึงบอกว่าละสิ่งที่ถูกรู้ละผู้รู้ได้เมื่อไหร่ก็จบแต่เราเนี่ยปฏิบัติคือเอาตัวเราไปไล่รู้เราก็เลยไล่ละแต่อารมณ์ที่ถูกรูก้เราไม่ได้เลยเราเล็บมาไม่ถึงไงวิญญาณาขันที่ทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งาันห้าผก็เลยมาถามอาจารย์พอไปรู้้็แล้วมันเฉย รู้กัแล้วมันเฉยรู้กันแล้วมันว่ามันมีแต่ความว่างอย่างเดียวอาจารย์ไม่เชื่อดูที่มันว่างอย่างเดียวนั parasite, ว้นเนี่ยอาจารย์ว่าว่าว่าคิดว่าคิดว่าคิดเนี่ยยืนยันได้เลยอาจารย์ลองดูสิหน่อยเนี่ยลองดูสิมันว่างอย่างเดียวแล้วมันไม่คิดเราบอกว่าเนี่ยที่จะมายืนยันให้เราเราบอกว่าว่างว่างเนี่ยเดินทาง ม, มาจากไหนเนี่ยเออแต่เขาโทรตัดมาดักเราก่อนแล้วบอกว่าอาจารย์เด well, ี๋ยวกลุ่มเนี้เขาขมารบตู้มาสองคันเขาจะไม่ให้อาจารย์รับรองว่างแล้วว่างแล้ว โอ้โหมันว่ากับผีอะไรเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาไกลตั้งแต่ตั้งแต่ไกลแล้วเหมาลงมาสองขาจะไปยืนอย่างนั้นว่างมันก็นั่งบนรถมันก็คิดมาตลอดนะแบบนี้ฮมันว่างกับอะไรแล้วมันไม่ว่างแบบเนี้ยแล้วผมมาถึงเนี่ยมาถึงเราอาจารย์ดูสิเนี่ยมันว่างหมดแล้วอออกมาแล้วนั่งลงรถกันมาเสร็จอว่างแล้วก็มีคนหนึ่งผู้หญิงว่างแล้วก็ไม่อาอจารย์ปล่อยวางหมดเลยว่างหมดเราก็ดู เฮ้ยไม่ไม่ม่มลงลงลงลงลิดพิษพิษอาจารย์วันว่างหมดเลยจารย์ดีๆนะมันว่างหมดเลยว่างหมดแล้วว่ะจริงๆไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยอย่าอย่าอย่าอ่าเราว่าเวลาแฟนเขาจะแต่งตัวอย่างเนี้ยก็บอกเขาว่าไม่ดีแต่งชุดนี้ไม่หล่อต้องแต่งอย่างนี้ดีกว่าแต่งอย่างนี้ถึงจะหล่อเวลาเขาจะกินข้าวอย่างนี้ก็อันนี้มันไม่มีประโยชน์กินอย่างนี้มีประโยชน์เขาจะทำนึกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ดีไอ้อย่างนี้ดีกว่า เราว่ายังไม่ปล่อยวางแฟนเลยจะมาปล่อยวางอารมณ์ได้ไงยุ่งวุ่นวายทั้งวันแล้วก็บอกว่าปล่อยวางแฟนเข้ามาด้วยยกมืออาจารย์พูดถูกหมดทุกอย่างเลยยุ่งกับผมทุกอย่างเลยอะ่ะไม่วางผมเลยเนี่ยแล้วนายคิดดูดิปฏิบัติมากันั้งสองคันรถตู้บอกว่าวา่วางแล้วเพราะวางหมดคือวางไม่ได้ปฏิบัติ วางไม่ได้ปฏิบัติเลยแล้วก็บอกว่าได้ปล่อยวางไม่ใช่คือมันรู้หมดเลยแล้วก็ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันเลยวางอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็วางผู้รู้วิญญาณขันเนี่ยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางทั้งผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันเรียกว่าวางที่หลวงปู่ดูนนาตุโลที่บอกว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้อะพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้หลวงปู่ล่าเขว่าปโตหลวตาหมาบัวยันสัปปะโนที่บอกว่าพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้เนี่ย มันเคาใจผิดผู้ปฏิบัติเนี่ยพอปล่อยวางผู้รู้หมดก็เลยไม่รู้อะไรเลยแล้วพอไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปไปบอกว่าไปบอกกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราว่าวางหมดแล้วลงตันเรียนกับลงตันลงศาสร์ลงตางสตร์บอกให้วางหมดวางหมดเลยวางหมดโอ้โหโดนเราโดนอัศเลเลยมันวางการปฏิบัติไปเลยวางความรู้ไปเลยอันนี้มันไม่รู้เลย มันไม่เข้าใจเนี่ยมันผิดนะรับบผิดผิดผิดมันต้องรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นยังไงได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจไม่ว่ารู้อะไรให้ตั้งที่ผู้รู้ที่มันออกมาปรุงอยู่ในใจอย่าไปรู้สนใจสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าจะรู้อะไรในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ทํางานสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดพลาด แต่เมื่อเราทํางานไม่ผิดพลาดเราก็ต้องมีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ประตูใจเนี่ยประตูในประตูใจเราเนี่ยมันภาคอะไรมันรู้อะไรมันมาภาคอะไรในใจยังไงมันมาภาคมาพูดมาบ่นยังไงก็ปล่อยวางมันตั้งยวงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสัตว์บาลูเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปทำกิริยาการจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางคือไอ้สัตวเบาลูเนี่าวงคือไมยเขาเรียกว่าวางปล่อยวาง ดังนั้นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะไปไปได้ไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสไปรู้อาการทางใจอย่างไงก็ตามกายสบายใจสบายกายไม่สบายใจไม่สบายรู้ว่ามันมีอาการที่เป็นแบบว่าเป็นกลางๆไม่ไม่สุกไม่ทุกอะไรมันไปรู้อะไรเนี่ยก็ดูที่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจที่ภายในประตูใจเราเนี่ยมันคิดมันบน่นมันพูดอะไรตึกตองวิธีไงแล้วก็ละวางมันหมดทั้งสิ่งที่ถูกรู้ละผู้รู้เรียกว่าวางทั้งธรรมอารมณ์ อายันะภายนอกธรรมอารมณ์เนี่ยอาการภายในใจทั้งหมดเป็นธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มันละเอียดก็มาถึงประตูใจคือธรรมอารมณ์แล้วก็วางทั้งผู้รู้ธรรมอารมณ์นั้นเรียกว่าวางทั้งอายัดนะภายนอกธรรมอารมณ์แล้วก็วางทั้งผู้รู้ซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตติกเวทนาสัญญาสังขารไอตัวเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้มันเป็นธรรมอารมณ์แต่วิญญาณที่รู้ธรรมอารมณ์มันเป็นวิญญาณขันธ์เลยวางทั้งผู้รู้ธรรมอารมณ์คือธรรมอารมณ์มันคือเวทนาสัญญาสังขาร ส่วนไอ้จิตหรือวิญญาณาขันธ์ผู้รู้มันเป็นผู้รู้มันทาหน้าที่เป็นผู้รู้ถ้าระวางทั้งธรรมอารมณ์ที่ติดรู้ก็คือวางเวทนาสัญญาสังขารวางผู้รู้ก็เท่ากับวางวิญญาณาขันธ์เท่ากับปล่อยวางขันธ์ห้าหมดเลยละอุปทานขันธ์ห้าเลย <_ S 1> พุทธเจ้าเลยตัดว่าปัญตาเธอสักแต่วรรลุนะเ <_ S 1> นี่ยเธอจะรู้พุทิพันธ์ไม่มีตัวตนขเทั้งโลกนี้และโลกหน้าเ <_ S 1> พอะญาฟังจบก็สักแตว่วรรลุคือปล่อยวางสักต่บรรูคือปล่อยวางรู้แต่ปล่อยวางท่านติดกถูกรู้และผู้รู้ก็บรรลุพุทธิพันธ์นี่แนะ พอพูดตรงนี้เราอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนปฏิบัติผิดไปแปรผิดคือตรงเวทนาเนี่ยไปปัตตรงบัตรเวทนาคือว่าเพราะอะไรก็ตามที่มันรู้แล้วก็มันจะต้องมีอาการคือสิ่งที่สิ่งที่ไปรู้เข้าเนี่ยไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าอาการทางกายอาการทางใจที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็พอรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะต้องตร ง, ต, ง, ต, งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือ เวทนาก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ไปรู้ในทุกขณะปัจจุบันนั้นแหะคือถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอัตุกขรมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเนี่ยเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันรู้ตัวมันเองไม่ได้ต้องก็หาผู้รู้ก็คือว่าใครเป็นผู้รู้กับตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็รู้ตรงไอ้ผู้รู้ที่ตัวเราอะที่มันภาคมันพูดมันบ่นเพราะฉนั้นไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็รู้เพียงเทียว ตัวนี้นะแต่หลายคนผิดเนี่ยไปเลือกเอาไปไปล็อกเอาตรงอุเบกขาเวทนารู้อะไรเอาไปกันไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์ให้เป็นเฉยเฉยพี่เราไม่อยากจะข้ามตรงนี้เพราะว่ามีนคนปฏิบัติผิดเกินครึ่งคือเข้าใจว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยแล้วมันจะบรรลุนิพพาน แล้วพยายามไปรู้อะไรให้เป็นอุเบกขาเวทนาไม่ให้รู้สึกเป็นสุขไม่ให้รู้สึกเป็นทุกข์แล้วกันไว้ให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆคือรู้ได้ใจเป็นกลางๆที่โยมพูดเนี่ยรู้ทํารู้ให้มันเป็นใจเป็นกลางๆรู้เฉยๆแล้วรู้ว่ามันเฉยๆไม่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วรู้อะไรทำมันเป็นเอ๋อรู้อะไรทําเป็นเอ๋อรู้เรื่องอะไรเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันสุขมันทุกข์แล้วก็ไปสอนแบบนี้ด้วยไม่ให้เวทนามันเข้าให้ป็นเอ๋ไว้เงี้ยน่ะ รู้แต่โครงล่างรูปล่างให้รู้แต่โครงล่างไม่ให้รู้อะไรเป็นอะไรไม่ให้มีเวทนาเข้าไม่ให้สุขไม่ทุกข์รู้รู้อะไรก็บอกว่ารู้รถไม่ให้รู้ว่าเป็นรถให้รู้ว่าเป็นโครงล่างไม่ให้รูไม่ให้รู้ว่าเป็นนี่คือรถนะแล้วไม่รู้ว่าเสียอะไรไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรโอ้โหเราว่ามันจะเป็นไปได้หมันทําไม่ได้คือไปล็อกเอาตรงอุเบกขาเวทนาเข้าใจว่าเนี่ยอุเบกขาเวทนาเนี่คือนิพพานแล้วก็ไปรู้ทําเฉย รูละเฉยรู้ละเฉยเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะแล้วยิ่งฝึกจิตยิ่งโง่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนะเพราะอะไรมันช้ามากเลยแต่ละคนน่ะมาหาเราอ่ะหันก็ช้าพูดก็ช้าตาก็ไม่ค่อยกอกแล้วก็เดินจงกรมก็เดินช้าทาอะไรก็ช้าหมดเลยเวลาจะฉันข้าวมีผู้นักบวชคนเคยมาปฏิบัติอยู่กับเรา โอโหฉันเข้าวทีสามชมั่วโมงช้ามากเลยอ่ะช้ามากวาเวลาจะทําอะไรปัะช้าหมดเลยก็กําหนดหมดเลยนะกําหนดหมดอ่ะจะอาบน้ำจะกินข้าวจะทําอะไรจะจับอะไรกําหนดหมดเลยช้าอะไรเราก็สังเกตดูคอัว่าเอ๊ะช้าช้าแบบเนี้ยเราสังเกตดูเป็นคนปกติเป็นคนข้อแค่วว่องไวปาเปียวมากแล้วเนี่ยเป็นคนเหลียวฉลาดมากเลยอ่ะ เราสังเกตดูนะบอกว่าท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดปากเปรี้ยวมากเลยแล้วทําไมมันช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆมันช้าๆอย่างนี้แล้วมันมันมันช้าๆงี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันมันเป็นมาแต่เดิมหรือไงอไม่ใช่อาจารย์อ๋อทำไมเมื่อก ses, ่อนทํางานอะไรเราบอกเมื่อก่อนทํางานอะไรเป็นผู้จัดการบริษัททั้งหลายบริษัทผู้จัดการบริษัทมีอาการอย่างนี้หรอเราจะทำงานได้หรอผู้จัดการบริษัทเีเนเจอในผู้จัดการบริษัทอย่างเงี้ยเราจะทํางานได้หรือผู้จัดการบริษัทแบบเนี้ย เราบอกว่าถ้ามันช้าเงี้ยมันจะจําอะไรได้ไหมเนี่ยโอ้อาจารย์จำไม่ได้อ่ะเมื่อ ก, ก่อนจําแม่นมากเลยคล่องแคล่วไวสั่งงานนีจําได้หมดเลยเบอร์โทราศัพท์ของลูกค้าเบอร์โทราศัพท์ของของคนรู้จักจา ก, กันของเพื่อนเนี่ยไม่ต้องเมมโมรี่ไม่ต้องบันทึกเอาไว้เลยอจําได้หมดเลยปุ๊ปปุ๊ปได้หมดเลยสั่งการเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยจําไม่ได้เลยอาจารย์บกยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วเป็นไงี่ะแล้วทำไมมันันช้าแล้วจําอะไรไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่เริ่มมาฝึกกิจตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติธรรมอ่ะ ลาออกว่าปฏิบัติธรรมอ้าวแล้วทำไมอย่างเงี่ยพอลาออกมาปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องฉลาดมากเลยฉลาดปาดเปรี้ยวโอ้หวิ่งเแกว่างไวรู้อะไรไม่ติดอะไรสักอย่างมาเลยทํางานอะไรได้ไม่ติดขัดเลยตอนเนี้ยมันต้องฉลาดปาดเปรี้ยวมากเลยแล้วมันกลายเป็นทําไมมาปฏิบัติแล้วมันยิ่งโง่ลงไปยุ่เอ๋อไปโง่ไปเอ๋อร์ไปเงี้ยจำอะไรก็ไม่ได้เงี้ยแล้วทำไมไป็นต้นไหลบอกว่าเป็นต้นแต่มาปฏิบัติธรรมมาฝึกกิจเนี่ยอาจารย์พราเริ่มต้นก็เป็นเลยทําไมเริ่มต้นแล้วมันเป็นเลยล่ะก็สํารวมงานอาจารย สัรวมอะไรมันสัมรวมไปสัมรวมอะไรไปสัมรวมท่าทางสัมรวมอะไรเงี้สัมรวมดับความคิดดับอารมณ์ดับความรู้สึกให้มันเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยรู้อะไรเ อ, อ๋อรู้อะไรเออรู้อะไรเฉยรู้อะไรเฉยอยอุอ๊ยเดวพแม่ครูอาจารย์ด่าถ้าไม่มีแต่ละคนเนี่ยว่ามันโง่ดักดานอย่างนี้มากี่ชาติแล้วเนี่ยเดีวจะฝึกให้โง่เงิหนักนก็ไปอีกเหรอพอไปชวนเพื่อนมาปฏิบททัติธรรมอ่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉลาดปากเปียวทันทันคนทันเหตุการณ์หมดเลยพอมาตั้งแต่มาเห็นมาเพื่อนมาปฏิบัติธรรมแล้วมันโง่ดดักาไมทนนนนนคี้ะปรชชว เลยกลายเป็นเสียชื่อผู้ปฏิบัติธรรมหมดเสียชื่อธรรมะหมดเลยโอ้ยทำไมปฏิบัติแบบเนี้อ่ไม่เข้าใจปฏิบัติอะไรเนี่ยผิดหมดนะเนี่ยมันต้องมาเห็นมาเห็นในสิ่งที่ถูกรู้ภายในใจธรรมารมภายในใจบุบรู้ละละทั้งสิ่งที่ถูกรู้ละทั้งผู้รู้ละละธรรมารมละเวทนาจัญญาสังขารแล้วก็ละทั้งผู้รู้แต่เห็นมันหมดเลยรู้มันทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นยังไงได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้คือไม่หนีมันไม่ค่อยหนีมันเลยมันมีอาการอะไรไม่ค่อยหนีมัน แล้วก็หนีอ่คือคนโง่ทันว่าไม่หนีไม่สู้เอสู้คือพยายามไปดับมันเนี่ยคือสู้ไปับพยายามไปดับมันเขาไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจเพลงนะลูกศิษย์ลําแต่งเพลงให้ออไอเพลงลู้ซื่อจบที่ใจรู้ทุกคิดไม่ติดภัยจิตเป็นยังไงได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจ